ทุกนี้เป็นวันพระวันพรสิบห้าค่ำช่วงฝนตกพ่อเข้าไปเดินป่าวันนี้ไปดูป่าไม้ไผ่ที่เราปลูกไว้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วปลูกไว้ให้คนกินจริงๆนะมันจะเหลือแต่ตอได้เอาทั้งไม้เอาทั้งหนออีกสามสิบสี่สิบต้นนะกล้วย มันอยู่กับต้นไผ่ไม่ได้กูยตายไม่กู้ยตายหมดเหมือนกันก็ถามผู้ยนต์ว่าทาไมต้นไผ่ไไไไกใ็ใหญ่ๆหน่อต้องเยอะทําไมคนไม่เอาทําไมจริงเอาหนอ่อไผ่ที่เขาปลูกไว้เพราะหน่อไผ่มีหนามเยอะเหมนะือนน่ะกินไม่อร่อยแต่หนอ่อไผ่ที่เราปลูกไว้ในมันไม่มีหนามแล้วก็อร่อยดย้วยมันก็เลยหายก็ดีเงนปลูกไว้แจกชาวบ้าน แต่จขุดไปทั้งกองแล้วกันนะอะดีก็มาได้คิดว่าในสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์คนก็ชอบคนก็ชอบแล้วก็ช่วยรักษาไว้อย่างต้นไผ่ป่าเนี่ยมันประโยชน์มันน้อยเป็นหนามรสมันก็ขมคนก็ไม่ค่ยรักษามันก็ก่อใหญ่โตไม่มีใครเอามันได้มันรักษา ที่ถ้าหากว่าต้นไม้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยคนก็สืบเอาไว้เหมือคนดีอ่ะที่มีประโยชน์คนก็ช่วยรักษาไว้แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆเร้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยต้นไผ่ป่าเนี่ยมเยอะค่อยๆหายไปแต่ปา้มจะดศูนย์พันพวกมีประโยชน์น้อยแต่ว่าไผ่ที่ มีประโยชน์มากก็ที่เรากินหนอแล้วก็หวานนะได้ประโยชน์เยอะคนดีเราเหมือนกันนะเขาพยายามที่จะรักษาคนดีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนราาักษาเพเราะศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์ น, นั่นเองก็เราก็คงจะทําะไรสิ่งที่ดีเอาไว้ให้คนได้ใช้สอยนะให้คนได้ใช้สอยแล้วเพราะว่าสิ่งที่ดีทั้งหลาเนี่ยต้องเป็นประโยชน์ ถ้าไม่มีประโยชน์ก็มันก็ไม่ดีท่านั้นเราเป็นคนดีเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้ใช้เราปลูปกต้นไผ่เพื่อที่มันเป็นประโยชน์ก็เพื่อให้คนได้กินมพรานั่นก็มาปฏิบัติการทำความดีเพื่อเพื่อคนทั้งหลายที่เขายัางไม่มีดีเขาก็จะได้ใช้ความดีของคนอื่นไป วันหนึ่งเขาได้เห็นว่าความดีนี่มันดีนะเขาก็จะเริ่มเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้มันมีประโยชน์นะว่าเราแต่ละคนก็มีสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนพอเราเห็นคนที่ดีๆเขามีความสุขมีความสบายเราก็อยากเป็นคนดีบ้างแล้วเขาค่อยละชั่วไป mm hmm. เขาเรียกเห็นประโยชน์ก่อนการที่เราจะทำอะไรดีๆต้องเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากความดีขั้นธรรมดาเป็นความดีขั้นกลางแล้วก็เป็นความดีขั้นสูงสุดนั่นเองก็เราคงจะทำในสิ่งที่ดีๆนีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดีเพราะการให้ทานระดับที่หนึ่งดีเพราะการให้คนดีทีชอบให้นะคนจรไายชอบเอาคนดีชอบให้ด้วยการทำความดีขั้ง ขั้นที่หนึ่งคือการให้ให้วัตถุเป็นทานให้อาภัยเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานอันนี้ก็เรียกว่าการให้ทั้งสามรดับเป็นความดีระดับที่หนึ่งความดีระดับที่สองคือการรักษาการให้การรักษาศีลการรักษาข้อวัตรปฏิบัติในการรักษา การรักษาใจตัวเองให้ได้ไม่ให้มันหุ่นวัวเส้นห ม, อ, หมองไม่ให้มันสูญเสียเม่ให้มันเสียหายอันที่สองความรู้อันที่สองคือการรักษาเมื่อรักษาตัวเองได้ก็รักษาคนอื่นได้รักษาตัวเองได้ก็รักษาของสิ่งที่ดีๆเอาไว้ได้การรักษานี้ก็สำคัญบางทีเราส่วนใหญ่รักษาไม่เคยได้ รักษาทรัพย์สมบัติรักษาชื่อเสียงรักษาสุขภาพที่ดีรักษาเกียรติยศที่ดีรักษาคุณธรรมที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นความดีขั้นที่สองความดีขั้นที่สามคือการทําดีให้เพิ่มขึ้นนะการทำความดีให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโยงกัทั้งว่าสามารถแจกจ่าย ให้คนอื่นได้ด้วยเช่นพระพุทธเจ้านี่ท่านเกิดมาแต่ละชาติก็สร้างบา ร, รมีให้มีมากขึ้นจนบา ร, รมีครบแล้วหมายความว่าท่านก็แจกจ่ายคนทั่วโลกที่เลื่อมใสมีศรัทธามาสามพันกว่าปีแล้วเนี่ยยังแจกยังไม่หมดเลยคำสอนของท่านยิ่งแจกจ่ายไปก็ยิ่งขยายไปนะ มีความดีระดับขั้นที่สามนั้นความดีขั้นที่หนึ่งบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้บางคนก็ชอบให้บางคนก็ยังไม่ชอบให้ น, น, นี้เพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าต้องเห็นแก่ตัวเองด้วยก่อนเมื่อใดเราลดเห็นแก่ตัวเองลงก็เป็นความดีขั้นที่หนึ่งลวด้วยการให้ให้ทำ ให้วัตถุเป็นทานให้อภัยเป็นทานให้ทาเป็นทานอันเนี้ยทั้งสามอย่างเนี่ยเมื่อเราฝึกกันให้แล้วก็เราจะมีการรักษาที่ว่ารักษาศีลรักษาพระวินัยรักษากฎระเบียบรักษากายใจตัวเองรักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาจิตใจร่างกายให้แข็งแรง ก็ทำให้รักษาให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรานะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสร้างคุณงามความดีได้มากที่นี่มาก็ถามชาวบ้านว่าตัดหน่อไม้นี่ไปทำไมเอาไปทำอาหารทานเลยได้ไหมไม่ได้ทำไมมันขมมันแข็ง แล้วจะทำไงให้มันเป็นอาหารก็ต้องาไปปรุงไปแต่งไปต้มไปอะไรต่างๆจนกระทั่งว่ามันกินได้มาก็มันนึกขึ้นมาโอ๊หน่อไม้ทั้งตอหนอ่หนอเนี่ยมันก็เหมือนธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติดิบๆนี่มันกินไม่ได้ต้องมาปรุงใหมนะ่ธรรมชาติที่เป็นไตรรักนี่เหมือนธรรมชาติดิบๆเหมือนหน่อไม้ห น, น่อ มันไก่สักตัวหนึ่งมันหมูสักตัวหนึ่งเป็นธรรมชาติแต่ยาวมากินไม่ได้ต้องมาปรุงแต่งมาปรุงแต่งมาคัดเลือกนะเอาส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยเอามาปรุงนห้ธรรมชาติของไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ น, นหนึ่งทีนี้เราจะเอามาใช้ก็ต้องอามาปรุงแต่งก็เอามาตัดแต่งเอามาปรุง นั่นหมายความว่าพอเรามาปรุงขึ้นมาใช้สติใช้ปัญญามาปรับเหมือนกับจะทําวัตถุดิบเพื่อเป็นอาหารเนี่ยถ้าเราทําอาหารไม่เป็นก็กินสิ่งนันไม่ได้แต่ถ้าเราทําอาหารเป็นมันก็แปลวัตถุดิบเพื่อเป็นอาหารได้ไม่ว่าอะไรก็ทําเป็นอาหารได้กฎตายรทีกก่มัเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เป็น อุตรักษ์อานิจังทุกขังหน้าตาก็มาแปลเปลี่ยนเป็นอาหารใจอานิจังก็เปลี่ยนมาเป็นศีลทุกขังก็เปลี่ยนเป็นสมาธิอน้าตาก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาพอเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงศีลหล่อเลี้ยงร่างกายสมาธิก็หล่อเลี้ยงจิตใจปัญญาก็หล่อเลี้ยงอารมณ์เป็นอาหารละกายก็มีอาหาร ใจก็มีอาหารอารมณ์ก็มีอาหารก็ทำให้เราเข้มแข็งนะเข้มแข็งเราสามารถที่จะปรับให้มันมีมากขึ้นจนสามารถที่จะแจกจายให้คนอื่นไปไม่ที่สุดแล้วนี้ก็เลยกลับมาที่วัดตัวนี้มาเห็นคลิปวิดีโอพอ่อพ่อใหญ่ตันส่งให้ ม่รู้แปามาจากไหนพี่ใหญ่ตัคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์พระใหญ่ตบอกว่าน้ําท่วมพมา่าเจดีจมน้ํานะเมื่อไะพมาก็มานั่งดูแต่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่นะเกิดนานหรืยังเจดีนี่เป็นอยู่ข้างตลิ่งเป็นเจดีคล้าเยเชยดากรนะ น้ำท่วมเป็นทะเลเลยที่ลมมาเจดีนี่มันเคยสุดชุดชุดเลยโครมคนที่อยู่ข้างๆนะั่นร้องโองร้องให้กันเจ้าระวันเลยฮะร้องไห้ระงงหมดเลยเจดีใหญ่ยยเป็นเจดีขนาดชือดกองอะ่ะมันยิจมไปในน้ําเฉยเลยเนะมีก้องพทรทัศน์เขาโคตรยจับเอาไว้เนาะ จากไว้ไอตอนที่เจดีมันหลุดหรือเปนน้าคนมันจะวิ่งหนีกล้องมัยังยังกลัวเลยงั้นเด้ะเสียงคนร้องระงมเออนั่นดอแต่เขาไม่ได้บอกว่าเจดีที่ที่ที่รับไหนเมืองไหนไป็นเจดีชื่ออะไรเขาไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมนั่นรเราผู้ใหญ่เรียนไห้มาเรืมันเหตปุปัจจุบันนี้หรือเปล่าเรืมันเป็นมานานแล้วไม่รู้นะอืม แต่ว่าน้ำมันท่วมเยอะจริงเนาะเป็นทะเล อ, ะอันนั้นทําเมืองไทยเราก็น่ากลัวฝนตกเยอะๆนี่อันนั้นนี่คือเรียกว่ากฎของอนิจจังมันทํางานแม้ว่าสิ่งนั้นจะสร้างอย่างดีแล้วก็ตามมันก็เป็นไปตามกฎของอ น, นิจจังคนที่รับอ น, นิจจังไม่ได้ก็ทุกขังเนยลองให้เรื่องงุ่ระเบียงเซ็งแซ่รอบๆเจดีนะดีไม่จมไปกับน้ำบีกันนะจมต่อหน้าเลยนะเจดีจมมาเป็นปน้ําให้เห็นเลยเนาะ จมิดไปนะเหมือนจมหมดเลยแม้แต่ยอดก็ไม่เห็นเลยมันจมแบบมันมันค่ลักษณะลรยสลายอะ่ะกล้องเจดีกล้องวีดีโอเนี่ยคงจะตั้งจับเอาไว้ตั้งแต่น้ําท่วมแล้วแล้วเขามาตัดตอนที่มันประมาณนาทีเศษๆเนี่ยแล้วเจดีไม่ใช่ใหญ่นะใครก็เห็นนะเจดีขนาดชเวดากองน่ะนันนี้คือกฎของนิจังคนทั้งหลายก็รับเรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ทำไมเป็นอย่างนี้เนะี่ยเขาก็เสียดายทุกขังก็เกิดอนัตตาเจดีย์ที่เห็นพระองค์ทั้งองค์เนี่ยมันกลายเป็นอนัตตาเป็นในพิษตาเลยอะ่ะอีกเขาเรียกว่ากฎของมันธรรมชาติไม่มีอะไรหลีกเลี่ยงได้แั้วเองเราก็เมื่อเข้าใจกฎอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติภาวนาว่าวันหนึ่งเราก็จะล้มแบบเจดีย์นี่แหละอนะ่าล้มด้วยธาตุทั้งสี่ล้มด้วยธาตุไฟบางครั้งก็ล้มด้วยธาตุดิน บางครั้งลมมัดทน้ําบางครั้งก็ลมได้ทัดลมบางครั้งทัดน้ําก็ทัดลมรวมกันบางครั้งก็ถูกไฟไหม้บางครั้งถูกน้ําท่วมบางครั้งก็แผ่นดินถลม่มอย่างใดอย่างหนึ่งฮนะเห็นไหมครับเหมือนกับถล่มบางครั้งที่มันเป็นสังขารจะไม่มีจีใจมันก็เปลี่ยนแปลงดังนั้น ดินน้ำรวมไฟมันเกิดรวมตัวกันได้มันก็สลายได้แต่เรายอมรับมันไหมอย่างพระเต๋เนะี่ยดินน้ำรวมไฟรวมกันมาเจ็ดสิปีแล้วได้เกิดเป็นอะไรขึ้นนี่ไม่ยอมรับลกลัวใหญ่เลยอ่านั่นแหละวันนั้นเราก็จะมาทําท่าสี่ดินน้ำรวมไฟมันเท่ากันจะอยู่ได้นานอถ้าน้ํามากก็เป็นอ ะ, อะไรอะเบาหวานละ หาดินมากก็ใช่ห า, าดินมากก็เป็นปวดเมื่อยอต่างๆลมมากก็ความดันไฟมากก็เรียกว่าเกิดเลือดลมไม่ดีนะนั่นเองก็ให้เข้าใจว่ากฎอนิจจังมาทำงานของมันอย่างซื่อสัตย์ตลอดเวลาหน้าที่ของเราที่เป็นมนุษย์ก็คือต้องศึกษาศึกษาเพื่อสมบุลดินดน้ำลมไฟเนี่ย ให้มันพอดีเราก็จะอยู่ได้ธาตไหนเกินนะเราก็ต้องชะลอธาตุนั้นถอนท่านั้นไปธาตุัดนย่อนก็เพิ่มเข้าไป น, นี่หลักการถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็เราว่าเราก็รักษาสมดุลของธาตุสี่ไว้ได้นานเราก็อาศัยใช้นานแต่ถ้าหาเราอาศัยใช้แล้วรักษาไม่เป็นอีกหน่อยดินมากเกิน น้ำมากเกินบ้างไฟมากเกินบ้างลมมากเกินไปแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเราเกิดด้วยธาตุสีแล้วก็จะต้องสลายด้วยธาตุสี่แะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ยอมรับการสลายของธาตุไม่ได้เราก็ร้องเราก็กลัวนะแต่คงจริงอันนี้เป็นธรรมดาเราพิจารณานี้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็อะไรแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็ไม่ไม่ทุกแต่มีหน้าที่ ซ่อมสริมแก้ไขให้มันสมดุลพอธาตุสี่สมดุลโลกมันก็หายพอธาตุาาสีไม่สมดุลโลกมันก็เกิดเพราะนั้นพุทธเจ้าพบหลักมัชชิมาปฏิปทานคือความสมดุลทั้งธาตุสี่ภายในและสมดุลทั้งธาตุสี่ภายนอกธาตุสี่ภายในเรียกว่าอะไรธาตุสี่ภายนอกก็รู้ใช่ไหมดินน้ำลมไฟ ธาตสี่ภายในใครรู้บ้างว่าธาตอะไรบ้างฮะาตสี่ภายในเขาเรียกนิยามจำได้นะนิยามทั้งสี่หนึ่งอะไรจิตนิยามใช่ไหมจิตนิยาม พีชนนิยามอุตุนิยามแล้วก็ธรรมนิยามนี่คือเขาเรียกว่าธาตุสี่ภายในก็ทําให้สมบุรณ์นะคือคําว่าพีชานิยามก็คือธาตุดินนั่แหละแต่มาแปลเป็นภายในก็พีชานิยามอุตุนิยามก็ธาตุาลมนะจิตนิยามก็ธาตุไสธรรมนิยาม ก็คือรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเรียกว่าทั้งหมดทํางานร่วมกันอย่างถูกต้องเรียกว่าทำมนรยามถ้าหากว่าทั้งหมดทํางานไม่สมบูรณ์กันก็เป็นไตรลักษณ์นะก็เป็นพวกขังนิจังหน้าตานั่นเองก็เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสมบูรณหรือว่าปรับความพอดีให้กับกายกับใจอยู่เสมอ ถ้ากายกับใจมีความพอดีแล้วเราก็จะสบายโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยาการที่โรคภัยไข้เจ็บเกิดเพราะว่ามันไม่สมบูมรณ์ไปกดของนิจฉังแต่ว่าความสมบุรณ์ทางกายเนี่ยมันไม่มีโดยธรรมชาตินะแต่ว่าเราต้องปรับมาเรื่อยๆต้องปรับบ่อยๆอเพราะว่าความสมบุรณ์ทางจิตก็เกิดขึ้นเมื่อเราสมบูรณ์ปรับความพอดีทางกายเป็น ถ้าปรับความพอดีทางกายไม่เป็นมันก็ไปเกิดความไม่พอดีทางจิตเหมือนกันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจแล้วกว่ากิเลสกิเลสมันเกิดก็เพราะเราไม่รู้จักสมบุรณ์ทำให้ท่าสีสมดุรให้พอดีนะนั้นก็เราปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวนี่มันก็จะเกิดปัญญานะปัญญาเพื่อปรับความพอดีของกายของใจให้เป็นนะ แต่ทําไำบ่อยๆแต่ว่าบางคนเคลื่อนไหวแบบลมหายใจอย่างเดียวไม่พอนะมันมันน้อยเกินไปต้องใช้เคลื่อนไหวมือด้วยเคลื่อนไหวมือก็ช่วยนะโยมแดงสร้างจังหวะดเป็นไรยังโยมแดงโอ้ันนี้คนเดินทางทั้งวันคงเหนื่อยหิวง่วงวันนี้เดินทางทั้งวันเหนื่อยไหมมาทางไหนมาทางเครื่องหรือเปล่า อ๋อเครืงก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะก็ไม่เหนื่อยอืแต่ว่าสร้างจังหวะเป็นแล้วใช่ไหม ย, ยกมือเป็นได้ยังเป็นแล้วใช่ไหมหลวพ่อยังไม่ได้ดูเลยเนะี่ยทำให้ดูหน่อยดิยังทำให้เป็นไม่ชีบอกให้หน่อยเดี๋ยวทําเป็นเงี้ยทําเป็นหนิเอมเอาจากยูทู u เหร อ, อเอาอาจารย์ youtube ยูทูบนะเชื่ออาจารย์ youtube เยอะเลย ก็ทําอย่างเงี้บยบ่อยๆนะแต่ ว, ว่าเรานั่งแบบน้อมานานมันก็อดหลับตาไม่ได้เนาะหลับตาก็ทําฮะอาอก็ทําแบบลืมตาแต่เคลื่อนไหวนี่ต้องลืมตาไม่หลับไมาไม่ไม่ต้องหลับตาอ๋อไอในดูใน youtube เสียงว่าดูไม่ครบนะ <c oughs> ดูไม่ครบอต้องต้องลืมตาทําถ้าหลับตาทํำนี่มันจะเข้าไปในสงบแล้วจะไม่รู้ตัว ใช่เอน่ยนี่ออกมาก็ดู้ว่าโยมได้ทํามาบ้างแล้วยังไม่ได้ทำเนาะเหรอ๋ อ, อแล้วก็ยังหลายคนเนาะมาก็าไปเปิดอบรมเรื่องนี้ที่กรุงเทพหลายปีแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเนาะยังไม่วาสนาบารมียังไม่ถึงมาทําแบบนี้วันนี้วาสนามาถึงแล้ว <c oughs> ตั้งใจทําแบบใหม่ดูเนาะมาต่อยอดโยมปลูกต้นมะม่วง ชนิดเนี่ยมานานแล้วแต่ว่ารูปมันออกมามันยังไม่มันยังไม่หวานไม่มันเท่าไหร่มาต่อพันธุ์ใหม่เลยให้ทานเรามันก็จะได้กินแล้วตื่นรู้บวกบานผลมันนะผลมันว่าเวลาเราทําก็ตื่นรู้ไืก็ตาก็ต้องตื่นหูก็ต้องตื่นคือไม่ควไม่ปิดไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รับรู้ทำความเป็นจริงนี่เรียกว่าตื่นรู้ แต่ถ้าเราไปปิดทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ครบนะก็ปิด น, น, นะการสร้างจังหวะแบบนี้เป็นการปลูกธาตุเขาเรียกปลูกธาตุรู้ธาตุรู้ที่มันจมมานานเนี่ยเราใช้ตรงนี้ปลู ก, ป ล, กปลูกไปปลูกมาแต่ว่ามันทั้งสิบสี่จังหวะนี่นะเราทาให้ดูใหม่ ให้กล่อมกันทุกวันนะคุณใหญ่จานทร์ทำสวยแล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนทำไม่สวยแต่นี้ทำสวยนะสอนเด็กไปได้คอร์สหนึ่งแล้วอีกหน่อยจะได้เป็นพี่เลี้ยงอหน่อยๆการท ำ, ทำว่าไง อฮ อ, <S <S อ, อจิตรับรู้ได้หกทางแต่เวลาเรามาทำนี้เรารับมันแค่สองทางทางหูและทางกายเออทำได้แต่ว่าจิตความสามารถมันเนี่ยมันรับได้หกใช่ไหมตาหูจมูกพร้อมกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ใช่แต่ว่ามันไม่โฟกัสแต่ถ้าจิตเนี่ยมันถ้ารับทางเดียวเนี่ยโฟกัสมากเกินไปโฟกัสเข้มเกินไปแล้วมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนโยมเห็นในไอ้ขอเขาเรียกว่า point p o เดินนะที่เขาชี้บนอ่าอ่าเป็นปากกาที่เขาเขาชี้บนไอ้แผนโปรโปรเจคเตอร์ใช่ไหมอันนั้นอ่ะมันโฟกัสมากเกินไปมันจะรอบรวมมจะมดืด มันโฟกัสจุดเดียวอ่ะนั่นอ่ะนั่นทางเดียวมันไม่ดีมันเล็กเกินไปเพราะฉนั้นพอโฟกัสแบบไฟฉายมันจะกว้างใช่ไหมไฟฉายเนี่ยโฟกัสแต่มันก็กว้างกว่านี่ทำได้เราสามารถรับรู้ได้อย่างน้อยได้สามทางคือตาก็รู้หูก็ได้ยินกายก็เคลื่อนไหวนี่ขยายจุดโฟกัสเล็กๆนี่นะให้มันกว้างขึ้นอีกหน่ยมันก็มันก็สว่างมันก็จริงโฟกัสทั้งมันดแต่ถ้าเราถอด หน้าโฟกัสออกทั้งหมดมันก็สมก็กระจายหมดนะอย่างอย่างเงี้ยหลอดอเงี้ยไม่ต้องโฟกัสใช่ไหมมันก็สว่างแต่บางการณีที่เราต้องเดินทางเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาหลอดอย่างเาี้ไปได้แล้วก็ทำไฟฉายมันก็รวมโฟกัสอย่างน้อยขยายเช็คสามเท่าทั้งหมดบนหกเท่าขยายเลือกค่อสามเท่าก็ใช้ได้แต่ขยายเล็งจุดเดียวเนี่ยมันเล็กเกินไปถึงมันจะคมแต่ว่า มันเล็กเกินไปแต่ข้างๆมันจะไม่เห็นสามทางตาเห็นหูได้ยินและกายก็ทำด้วยเอออย่างนี้พอดีหมายความว่าไม่ต้องโฟกัสร0อยปรเซ็นตก็ไม่ต้องเปิดร0อยเปอรเนเอาห้าสิบห้าสิบหกทางก็เหลือแค่สามทางให้แสงสว่างมันทั่ว ให้ความรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ให้รู้ตัวทั่กพร้อมถ้าหาโฟกไม่มีโฟกัสหรือไม่มีโฟกัสเลยหรือโฟกัสมากมันก็ไม่พร้อมถ้าโฟกัสมากขึ้นไปก็เหลือจุดเล็กๆที่ว่านะถ้าไม่โฟกัสเลยมันก็กว้างออกไปใช้บางการณีนะอันนี้คือวิธีการปฏิบัติอากูกทางเหลือแค่สามทางก็ได้ตาหูและกายนะ อันนี้คือเห็นผลว่าทำไมว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยรู้ไปด้วยที่สามทางตาเห็นใช่ไหมกายก็รู้แล้วก็การทำทางกี่ทางไงลิน้นใช่ไหมแล้วก็กายแล้วก็ตาอันนี้ก็สามทางเหมนะงทำไงมันก็จะสำเร็จประโยชน์นะ ถ้าทำได้ทั้งหนึ่งมันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ทำร่วมกันก็ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้อันนี้คือวิธีการของพวกเทียนซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนนึกไม่ถึงใช่ไหมฉะนั้นนั่งปฏิบัติแบบนี้ถ้าหลับตามันก็จะเหลือแค่สองคือกายกับหูใจก็ชักไม่สว่างแล ะ, ะถ้าลืมตาด้วยท่านได้ทั้งตาทั้งหูทั้งกายไปพร้อมๆกันเราจะทาอะไรก็พอทาได้ สามอย่างนี้นะแต่เหลือสองอย่างนี้ทํายากแล้วอย่างโยมเหลือหูกับกับขึ้นไหวใช่ไหมกับมือหลับตาชะสักยากและเอออันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเออคื่อนไหวก็ได้ฟังด้วก็ได้เพราะจิตมันมีความสามารถถึงหกทางเราเหลือแค่สามทางก็พอดีอันนี้คือคํามสมดุลของมันมันก็จะหวอ่ยนะอืา อ่าก็ทําแบบนี้แหละสมมติว่าเราเวลาเรามีเวลามานั่งเคลื่อนไหวก็มานั่งทําจังหวะใช่ไหมเวลาในชีวิตประจำวันโยมก็จะสับนุ่นย้ายนี่ก็คือการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะย้ายกติกเราก็ทุ่มใจไปที่กระติกหมดเลยใช่ไหมแต่พอเราปฏิบัติไปใช้เราทุ่มใจไปที่มืออย่างเดียวจะไม่มีไม่ต้องคิดถึงกติกกติกนี่มันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ใช้แค่สิบเปอร์เซ็นก็พอแต่เก้าสิบเปอร์เซนตอยู่ที่มือใช้กติแค่สิบเปอร์เซ็นก็จับได้ละ ว, วางถูกเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอยู่ที่มือแต่เม่าก่อนความรู้สึกอยู่ที่นี่หมดเลยนะเก้าสิบนะอยู่ที่มือเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ถึงอันนี้คือเหตุผลว่าเราสามารถประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวปฏิบัติเอาไปเคลื่อนไหวอันนี้ก็ได้เอาไปเคลื่อนไหวนี้ก็ได้แต่ว่ามันมีเค่รับอยู่นี่นต้องใจมาไว้ที่ ตัวเมื่อก่อนนั้นเราไม่รู้เราเอาใจไปไว้ที่วัตถุที่ต้องการใช่เอาใจไว้ที่มือที่ตัวนี่อ่าที่เรารู้อยู่อ่านั่นคือหลักของมันมัวจะเอาอาจารย์ YouTube สนานเลยไม่ไม่แจ้งไปติดตามอาจารย์ u t u b e วันนี้ตามมหาอาจารย์ตัวจริงแล้ววันเดียช่อาจารย์ยู u ูบเนะ ศึกษาเนอะทำหนอมาส น, านอ่ออ่อใช่ <c oughs> อ๋อเคยไปเคยไปของจาเพะเสร็จมาแล้วอะ่ะนานหรือยังอ๋อกว้างขึ้น ก็ตั้งใจมาแล้วก็ต้องตั้งใจทำเนอะจะได้กุฏิเอ๊ะพระ ก, กุฏิไหนมะฮะอ๋อกุฏิหกนะก็คจริงอยู่กุฏิมอดแถวก็ได้นะที่มัดเต๋ออันนี้กุฏิหกข้างล่างเลยเนะอะเดินเดินไกลอ๋อสิบหกโอเคก็โอเควันนี้ได้ปรบกันเรื่องของ การแปลสภาพธรรมชาติให้เป็นสิ่งที่ใช้ได้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติใช่ัหมแล้วก็มาแปลสภาพให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันก็ใช้ได้แปลสภาพของการเคลื่อนไหวของการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมชาติแต่คนที่ปล่อยสภาพไม่เป็นก็เหมือนกับคนที่แกงหน่อไม้ไม่เป็นก็ไม่ได้กินแกงหน่อไม้ แปลสภาพไม่เป็นเหมือนมีเนื้อสักก้อนหนึ่งก็กินเนื้อไม่ได้เพราะแปลงไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็แปลงสภาพการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้เป็นทมอ่าใช่ ใช่แล้วไปติดในความสงบสบายเพราะทความสงบสบายแล้วปัญญาไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าจะธรรมะที่เข้าถึงธรรมะจะต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ความสงบไม่ได้ใช้สมาธิใช่เป็นฐานที่อ่อนแออ่าใช่มามาใช้วิธีนี่แหละ ใช่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเราเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมปฏิบัตินั่นี้ธรรมภาคปฏิบัติมันก็เปลี่ยนเป็นตัวธรรมมศ จ, จะก็คือเกิดความจริงขึ้นนะเดี๋ยพยายามไปเรื่อยๆใช่ตัวความจริงนี่แหละเขาถึงธรรมมศ จ, จะใช่เขาจะจริงความจริงโดยธรรมชาติ มันก็ตอบสนองตามธรรมชาตินะแต่พอเป็นธรรมชาติ จ, จัดปั๊บก็คือมันมันารู้แต่เรื่องของจริงอธรรมชาติมันเป็นเรื่องจริงว่างไม่จริงป้างตุลกันนะนะแต่ธรรมชาติจัดเนี่ยเป็นรั้นว่าจริงล้วนๆแล้วก็มาแปลงทางนี้ซะมันจะต้องใช้เวลาความเข้าใจที่ดีเข้าใจถูกต้องแปลงธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติ จ, จัดเรียกว่าสัจะธรรมเรียกว่าธรรมชาติจัดก็ได้สัจะธรรมก็ได้ ใช่ใช่คือตัวไอ้กฎใรักเนี่ยมันเป็นตัวสัจธรรมแล้วเมื่อแปลงให้เปลี่ยนมาเป็นใจสี่ขาเป็นธรรมชจติก็คําเดียวกันมันกลับทางกันเท่านั้นเองนะอันนี้ค่อยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้าใจแล้วเข้าใจหน่อไม้ที่เรามาแกงกับหน่อไม้ที่เรามากินเนี่ยอันเดียวกันนะแต่ตอนที่เรามาแกงเป็นหน่อมันธรรมชาติใช่ไหมกินไม่ได้ แต่พอมาแกงแล้วก็กินได้นี่เป็นธรรมะสัจจะไอต้ตอนน้ำไม้เป็นนอๆีะกินไม่ได้ก็ดดาราะว่าธรรมชาติเข้าใจไหอผลไม้ที่มันอยู่บนต้นเนี่ยกินไม่ได้โทรมาแปลงนี่เป็นผลไม้ในจานแล้วก็กินได้นี่ก็ว่าเป็นธรรมะสัจจะเพราะฉะนั้นเองก็เรื่องของธรรมะก็มาทำความเข้าใจกันคือนี้ฝนตกทั้งคืนนะเนาะ ก็สำหรับคนนี้ก็แค่นี้มันไม่ค่อยด้เสียงนะฝนตกนะเขา้นรมุธนาที่เราท้องตั้งใจศึกษาลุ่มกันต่อไปกกลับภาพรอมกัน